ตอนรับคุณผูกฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่ะคะกลับมาเจอกันที่วิทยุไทย PBS ค่ะ www thaipbs radio com วันนี้ตามติดชีวิตโยคีมาถึงตอนที่20แล้วค่ะแล้วก็เป็นตอนสำคัญนะคะที่ท่านประมาหังสาโยคานันทะจะเดินทางไปอเมริกาค่ะ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่านโด่งดังแล้วก็เป็นที่นับหน้าถือตามีผู้คนเคารพนับถือมากมายเรียกว่าเป็นโยคีท่านแรกนะคะจากอินเดียที่ได้รับการยอมรับนับถือในตะวันตกชีวิตโยคีเล่าเรื่องมาจากหนังสือ อตาตชีวประวัติของโยคยีที่เขียนโดยท่านประมะาเหงษยาโยคานันทะซึ่งท่านเองก็เป็นโยคยีแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นโยคียที่ท่านอยู่ในโลกของคนสมัยใหม่นะคะท่านเป็นโยคยีที่เรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีคะ่ะเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะสื่อสาร กับโรคภายนอกอได้อย่างดีวกว่าโยคีที่ผ่า น, านมาซึ่งก็มักจะใช้วิธีปรีกวิเวกวันนี้จะเป็นตอนที่เล่าถึงการเดินทางไปอเมริกาของท่านโยคานันทะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรน่าสนุกนะคะหลังจากที่ติดตามมา20ตอนวันนี้คุณผู้ฟังก็คง จะลุ้นนะคะว่าแล้วเมื่อไหร่ท่านโยคานันทะถึงจะได้เดินทางไปอเมริกาท่านเดินทางไปที่นั่นได้อย่างไรใครเป็นคนชวนวันนี้จะได้รับคำตอบนะคะซิงคาคุณทุฟังพร้อมแล้วพรมไปฟังกันเลยค่ะข้าพเจ้าไปอเมริกากับชีวิตโยคีตอนที่20ค่ะ วันหนึ่งในขณะที่ท่านโยคานันทะกําลังดื่มดําอยู่ในสมาธิก็มีความคิดผุดขึ้นในใจเป็นภาพชาวตะวันตกมากหน้าหลายตาใบหน้าของผู้คนเหล่านี้มีอยู่ไม่น้อยที่ท่านโยคานันทะได้มีโอกาสพบกับตัวจริงในโลกตะวันตกในภายหลังนะคะ แล้วก็สามารถจดจำพวกเขาได้ในทันทีแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นใครคืออยู่ๆในขณะนั่งสมาธิก็มีภาพของชาวตะบันตกพูดง่ายๆว่าเป็นภาพของฝรั่งเนี่ยผุดขึ้นมาในใ น, นิมิตรเรียงรายเข้ามาเลยทีเดียวในขณะนั้นท่านกำลังนั่งอยู่หลังแนวกล่องกระดาษที่มีฝุ่นจับเครอะในห้องเก็บของของโรงเรียนที่รานจี ช่วงหลายปีที่ท่านต้องวุ่นวายอยู่กับเด็กๆท่านก็พยายามนะคะในการจะหาที่เงียบๆเป็นส่วนตัวในการที่จะปฏิบัติสมาธิเพราะว่าการดูแลเด็กๆบริหารโรงเรยียนก็เป็นภารกิจที่วุ่นวายเอาเรื่องละคะ่ะปรากฏว่าภาพนิมิต ท, ที่เห็นภาพฝรั่งชาวตะวันตกมากหน้าหลายตาเรียงรายผ่านเข้ามานั้น ยังทยอยเข้ามาเรื่อยๆเป็นภาพของคนจำนวนมากที่จ้องมองมาอย่างท่านอย่างตั้งใจแล้วก็เคลื่อนผ่านจิตสํานึกของท่านไปเหมือนนักแสดงที่เดินข้ามเวทีจากฝากหนึ่งไปยังอีกฝากหนึ่งจากนั้นท่านก็บอกกับลูกศิษย์คนหนึ่งที่ชื่อพิมลว่า ครูมีข่าวจะบอกพระเป็นเจ้าส่งเรียกครูให้ไปอเมริกาอเมริกาหรือคอรับใช่ครูจะมุ่งหน้าไปค้นหาอเมริกาเหมือนอย่างโคลัมบัสผู้หลงคิดไปว่าตัวเองได้ค้นพบอินเดียแล้วแผ่นดินทั้งสองแห่งนี้ต้องมีกรรมบางอย่างผูกพันกันมาแน่พิมลวิ่งตัวปลิวออกไปและในไม่ช้าทั้งโรงเรียน ก็รู้ข่าว่าท่านโยคานันทะขมึงจะไปอเมริกาท่านโยคานันทะเรียกบรรดาอาจารย์ผู้สับสนง ง, งนันเรียกเข้ามาพบค่ะแล้วก็มอบหมายให้รับผิดชอบดูแลโรงเรียนต่อไป ผมรู้ว่าพวกคุณจะรักษาแนวคิดด้านการศึกษาตามหลักโยคะของท่านลาหฮิหริมหาศยะเอาไว้เหนือหลักอื่นใดเสมอผมจะเขียนจดหมายมาหาบ่อยๆและถ้าพระเป็นเจ้าทรงมีพระประสงค์สักวันหนึ่งผมคงจะได้กลับมาที่นี่อีกคือท่านก็เชื่อมั่นในนิมิตมากว่า น, นั่นคือสิ่งซึ่งพระเป็นเจ้า ส่งสัญญาณมาบอกเขาพเจ้าน้ำตาคลอเบ้าขณะกวาดสายตามองนักเรียนตัวน้อยกับอนาบริเวณอันกว้างใหญ่ภายใต้แสงตะวันของโรงเรียนที่รานจีเขาพเจ้ารู้ดีว่าชีวิตช่วงหนึ่งของตนเองได้ปิดฉากลงแล้วนับแต่นี้เขาพเจ้าจะต้องไปพำนักพักพิงในดินแดนอันห่างไกลไม่กี่ชั่วโมงหลังได้นิมิต ข้าพเจ้าก็จับรถไฟไปกละลกาตาวันถัดมาหนังสือเชิญข้าพเจ้าเป็นผู้แทนของอินเดียไปร่วมการประชุมนานานชาติว่าด้วยเสรีภาพทางศาสนาในอเมริกาก็มาถึงมือการประชุมในปีนั้นจัดที่บอสตันภายใต้การอุปถัมภ์ของสมาคมอเมริกันยูนิเทรเรียน ทันโยคานันทะก็รีบไปพบท่านอาจารย์สียุคเตสวนที่เซราปอแล้วก็ถามท่านว่าสมควรไปไหมประตูทุกบานเปิดให้กับเธอแล้วจะไปก็ต้องไปเสียแต่ตอนนี้ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีวันได้ไปอีกเลยแต่อาจารย์คอรับกระผมรู้เรื่องการกล่าวสุนทรพจน์ซะที่ไหนกันไม่เคยบรรยายอะไรต่ออะไรกับเขาเลย ยิ่งเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วยิ่งไม่เคยเลยภาษาอังกฤษหรือไม่โลกตะวันตกก็จะได้ฟังคำสอนเรื่องโยคะของเธอแนะ่ถูอาจารย์ครับกระผมไม่คิดว่าคนอเมริกันจะหันมาเรียนภาษาเบงกาลีกันหรอกนะขอรับประสาทพรให้กระผมเอาชนะอุปสรรคเรื่องภาษาอังกฤษนี้ได้ด้วยเถิดขอรับท่านอาจารย์ท่านก็กังวลมาก เพราะว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยมีโอกาสไปบรรยายอะไรให้กับใครฟังนะคะยิ่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วยิ่งไม่เคยเลยการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจาหรือว่า เ, ออเป็นคนที่ไม่ได้เรียนในต่างประเทศนี่ถือว่าเป็นเรื่องยากมากนะคะแม้ว่าจะเคยเรียนภาษาอังกฤษมาบ้างก็ตามทีนี้ ท่านโยคานันทะก็นำเรื่องนี้ไปบอกกับพ่อท่านพ่อท่านก็งงเลยทีเดียวนะคะสำหรับพ่อของท่านเนี่ยอเมริกาช่างดูไกลแสนไกลท่านก็หวั่นใจว่าจะไม่ได้เห็นหน้าลูกอีกท่านก็ถามว่าแล้วจะไปยังไงแล้วใครจะดูแลรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายให้ พระเป็นเจ้าจะประทานความช่วยเหลือให้ผมแน่ครับบางทีพระเป็นเจ้าอาจดนใจให้พ่อยอมช่วยผมก็เป็นได้ไม่มีทางว่าแล้วพ่อก็มองเข้ามาเจ้าอย่างเวทนาเต็มแก่คือพ่อของท่านเนี่ย ดูแลเรื่องค่าเล่าเรียนและก็ความเป็นอยู่ให้กับท่านมาตลอดชีวิตในขณะที่ท่านเหมือนกับว่าท่านไม่เคยที่จะออตอบแทนพ่อในแง่ของเงินทองเลยนะคะเพราะว่าท่านเลือกขนทางของการเป็นนักบวชพอต้องดูแลเป็นสปอนเซอร์อยู่ตลอดเวลาแต่แล้วท่านโยคานันทะก็ต้องประหลาดใจมากค่ะเมื่อวันรุ่งขึ้นอยู่อยู่ พ่อก็ยื่นเช็คสั่งจ่ายเงินก้อนโตให้กับท่านทั้งๆที่เมื่อวานนี้บอกว่าไม่มีทางพ่อให้เงินจำนวนนี้กับเจ้าไม่ใช่ในฐานะพ่อแต่ให้ในฐานะสิทธิผู้เลื่อมใสศรัทธาในตัวท่านลาฮิริมหาสยะจงเดินทางไปยังโลกตะวันตกและเผยแพ่คำสอนเรื่องกริยาโยคะออกไปให้คนได้รู้กันทั่ว ท่นนานโยคานันทะซึ้งใจกับจิตวิญญาณที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวของพ่อท่านละวางความปรารถนาส่วนตนลงได้อย่างรวดเร็วความเข้าใจอันถูกต้องบังเกิดขึ้นกับท่านเมื่อคืนนี้ว่าแผนการของข้าพเจ้ามิได้เกิดขึ้นจากความกระสันที่อยากจะไปท่องเที่ยวเหมือนคนทั่วๆไปบางทีชาตินี้เราอาจจะไม่ได้พบหน้ากันอีกเลยก็เป็นได้ พ่อบอกเศ่้าๆเพราะว่าในเวลานั้นท่านก็อายุถึง6 0 6 7ปีแล้วนะคะแต่ท่านโยคานันทะก็เชื่อมันท่านบอกกับพ่อว่าเพราะเป็นเจ้าจะทรงนำเรามาพบกันอีกครั้งอย่างแน่นอนครับพ่อ ในขณะที่มีการเตรียมการเพื่อที่จะจากครูบาอาจารย์จากครอบครัวและก็จากบ้านเกิดเมืองนอนไปยังดินแดนที่ไม่เคยรู้จักอย่างอเมริกาท่านโยคานันทะไม่วิตกกังวลเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าท่านจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับโลกตะวันตกที่มีความแตกต่างอย่างมากไปจากอินเดีย ถ้าคิดจะไปะเผชิญหน้ากับอากาศในโลกตะวันตกครูบาอาจารย์จากโลกตะวันออกต้องฝ่าด่านทดสอบความหนาวเหน็บในภูผาหิมาลายไปให้ได้เสียก่อนช้าวันหนึ่งเขาไปเจ้าตั้งตนสวดภาวนาด้วยปณิธานอันแน่วแน่ว่าจะสวดไปเรื่อยๆแม้ว่าจะต้องตายลงจนกว่าจะได้ยินพระสุรเสียงแห่งพระเป็นเจ้าด้วยต้องการพระพรและถ้อยยืนยัน ว่าข้าพเจ้าจะไม่มีวันหลงพเพลิดไปในท่ามกลางเมฆหมอกแห่งการถือผลประโยชน์ในยุคสมัยใหม่เป็นใหญ่ใจข้าพเจ้ามุ่งมั่นที่จะไปอเมริกาหากความปรารถนาที่จะได้ยินบัญชาแห่งพระเป็นเจ้าเพื่อสร้างเสริมกำลังใจให้กับตนเองอย่างรุนแรงยิ่งกว่าต้องการกำลังใจต้องการคายืนยันท่านก็เลยสวดวิงวอน สวดครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบใดกลับมาจนเที่ยงวันข้าพเจ้าถึงจุดประเบิดหัวหมุนติ้วอยู่ภายใต้แรงกดดันจากความทุกข์ทรมานของตนรู้สึกว่าถ้าแม้หลุดปากร้องแสดงความปรารถนาอันรุนแรงภายในใจออกมาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเพียงครั้งเดียวสมองคงจะแตกออกเป็นเสียงเป็นแน่ ชั่วขณะจิตนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่บ้านบนถนนคูรปาของขออ้าพเจ้าเมื่อเปิดประตูก็ได้พบกับชายหนุ่มสวมอาภรอนน้อยชิ้นเยี่ยงผู้สละแล้วซึ่งทางโลกเข่าก้าวเท้าเข้ามาในบ้าน Cause นี่จะต้องเป็นท่านบาบาจีแน่ท่านโยคนานันทะก็คิดถึงท่านบาบาจี เพราะว่าชายที่ยืนอยู่ตรงหน้ามีรูปร่างหน้าตาคล้ายท่านลายหิริมหัศยะแต่ว่ายังหนุ่มมากชายหนุ่มตอบสิ่งที่ท่านโยคานันทะคิดอยู่ในใจว่าถูกแล้วเราคือบาบาจีท่านพูดภาษาฮินดีได้อย่างลื่นไหลไพเราะพระบิดาเจ้า ทรงได้สดับเสียงสวดอ้อนวอนของเจ้าจึงมีรับสั่งให้เรามาบอกต่อเจ้าว่าจงทำตามคำบัญชาแห่งครุของเจ้าไปอเมริกาและอย่าได้หวันกลัวไปเลยพระองค์จะทรงปกปักรักษาเจ้าแล้วหลังจากนั้นท่านบาบาจีก็ยังบอกอีกว่าเจ้า คือผู้ที่เราเลือกให้ไปเผยแผ่ศาสตร์กิริยาโยคะอย่างโลกตะวันตกเมื่อน า, นานมาแล้วเราได้พบกับสี่ยุคเตสวนผู้เป็นครุของเจ้าที่งานกลุ่มพระเมลาและได้บอกกับเขาว่าเราจะส่งเจ้าไปให้เขาอบรมสั่งสอนท่านโยคานันทาก็พูดไม่ออกรู้สึกศรัทธาแล้วก็ยำเกรงในตัวของท่านบาบาจีผู้มา ปรากฏกายให้เห็นอยู่เบื้องหน้าแล้วก็ซึ้งใจที่ได้ยินจากปากของท่านบาบาจีว่าท่านเป็นคนที่ชี้นำท่านโยคานันทะให้ไปพบกับท่านสียุคเตส่วนท่านโยคานันทะก็ก้มลงกราบท่านคุรุผู้อยู่เหนือความตายคือท่านบาบาจีซึ่งท่านก็พยุงให้ท่านโยคานันทะลุกขึ้นอย่างนุ่มนวล หลังบอกหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับชีวิตของท่านโยคานันทะให้ได้รู้ท่านก็ให้คำแนะนำเป็นการส่วนตัวและก็ได้กล่าวคำทำนายเรื่องราวบางประการเอาไว้ด้วย <Okay. S 1> ท่านบอกว่า <Okay. S 1> กิริยาโยคะเป็นเทคนิควิธีในการเข้าถึงพระเป็นเจ้าที่พิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์และท้ายที่สุดนี้ศาสตร์ดังกล่าวจะแพร่หลายไปสู่ทั่วทุกแดนดิน และจะประสานชาติต่างๆเข้าด้วยกันโดยอาศัยยานอันอยู่เหนือมิติโลกของมนุษย์แต่ละรูปแต่ละนามที่จะช่วยให้เจ้าตัวยังรู้ได้ถึงการดำรงอยู่แห่งองค์พระบิดาเจ้า นี่คือช่วงเวลาที่ท่านโยคานันทะได้มีโอกาสพบกับท่านบาบาจีนะคะที่มาพบกับท่านให้กําลังใจท่านซึ่งท่านโยคานันทะบอกว่าจนกระทั่งถึงบัดนี้ พระเจ้าไม่เคยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นให้ผู้ใดฟังมาก่อนเลยได้แต่เก็บงำเอาไว้ในใจเป็นประสบการณ์อันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในชีวิตแต่เมื่อคิดขึ้นมาว่าหากเล่าเรื่องที่ตนเองได้เห็นท่านบาบาจีมากับตาท่านผู้อ่านก็น่าจะทำใจให้เชื่อได้ง่ายกว่าว่าท่านบาบาจี ผู้ยินดีในความวิเวกแต่ยังให้ความสนใจแก่โลกอยู่นั้นเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงแท้แน่นอนข้าพเจ้าให้จิตรกรวาดภาพท่านผู้เป็นตัวแทนของพระเจ้าในร่างโยคีแห่งอินเดียยุคปัจจุบันใส่ไว้ในหนังสือเล่ม น, นี้โดยบอกลักษณะรูปร่างหน้าตาของท่านให้ตามความเป็นจริง และในยามเย็นย่ำของวันสุดท้ายก่อนการออกเดินทางไปอเมริกาท่านโยคานันทาก็แวะไปกราบท่านอาจารย์ศรียุคเตสวนจงลืมเสียว่าเจ้าเกิดขึ้นในถ้ากลางชาวฮินดูและจงอย่ารับเอาทุกสิ่งของคนอเมริกันมาทั้งหมดให้เลือกรับเอาแต่สิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองฝ่ายจงเป็นตัวของตัวเอง นั่นคือเป็นบุตรของพระเป็นเจ้าจงสแสวงหาและรวบรวมคุณสมบัติที่ดีที่สุดของพี่น้องผองเพื่อนต่างเผ่าพันธุ์ที่กระจัดกระจายกันอยู่ทั่วโลกนี้เข้าไว้ในตัวเจ้าผู้คนทั้งหลายที่เข้ามาหาเธอด้วยศรัทธามุ่งสแสวงหาพระเป็นเจ้ายอมได้รับความช่วยเหลือทุกคนเมื่อเธอมองไปที่พวกเขา กระแสธรรมจะพวยพุ right universe, ่งจากดวงตาของเธอเข้าไปสู่สมองของพวกเขามันจะเปลี่ยนนิสัยที่เอาตนหลงไหลในวัตถุให้กลับมาสำเนียกถึงพระเป็นเจ้ามากขึ้นเธอจะโชคดีสามารถดึงดูดดวงวิญญาณอันศัตว์ซืทธจริงใจให้เข้ามาหาได้มากมายทุกแห่งที่เธอท่องไปแม้ในป่าเขาเธอก็จะหามิตรได้เสมอ พอรอันประเสริฐทั้งสองประการของท่านอาจารย์สียุคเตสวนตามติดไปบรรดาลผลให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในทุกที่ข้าพเจ้ามาอาเมริกาแต่ลำพังตัวไม่ได้มีเพื่อนอยู่ในอเมริกามาก่อนแม้สักคนเดียวแต่กลับพบว่ามีผู้คนพร้อมเปิดรับคำสอนทางจิตวิญญาณอันอยู่เหนือการเวลานับร้อยนับพันคน ท่านโยคานันทะเดินทางจากอินเดียมาสหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคมปีคริสต์ศักราช1920ด้วยเรือที่ชื่อว่า The City of Sparta ซึ่งเป็นเรือขนส่งผู้โดยสารลำแรกที่ออกเดินทางไปยังอเมริกาหลังสงครามโลกสิ้นสุดลง หลังจัดการกับอุปสรรคนานาประการอันเกิดจากระเบียบราชการที่สลับซับซ้อนในการออกพาสปอร์ตท่านโยคานันทะ<ๆ>ก็จองตั๋วมากับเรือเที่ยวนี้ได้การเดินทางกินเวลาสองเดือนในระหว่างนั้นมีเพื่อนร่วมทางคนหนึ่งบังเอิญไปรู้ว่าท่านโยคานันทะเป็นผู้แทนอินเดีย ในการไปร่วมประชุมที่บอสตันสวามีโยคานันทะขอความการุณาให้ท่านบญญารรยายทมโปรโดผู้เดสานบนเรือในคืนวันพฤหัสบดีหน้าด้วยเถิดครับผมคิดว่าพวกเราจะได้ประโยชน์จากหัวข้อสงครามชีวิตกับวิธีต่อกอกันมากทีเดียว นี่เป็นครั้งแรกที่ท่านโยคานันทะได้ยินคนเรียกชื่อตัวด้วยสำเนียงพิลึกพิลึกแบบเดียวกับที่ชาวอเมริกันอีกมากมายจะเรียกให้ได้ยินอีกภายหลังคือหลังจากนั้นท่านก็จะถูกเรียกขานว่าสวามีโยคานันทะแบบนี้แหละค่ะในขณะนั้นท่านก็พยายามรวบรวมความคิดในการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ สุดท้ายท่านก็ล้มเลิกการตระเตรียมตัวทั้งหมดท่านมีปัญหาในเรื่องของไวยากรณ์นะคะก็คงเหมือนกับคนที่เรียนภาษาอังกฤษแต่ไม่ค่อยได้ใช้พอถึงเวลาที่จะต้องใช้ก็กังวลในเรื่องของไวยากรณ์แต่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในคำรับรองของอาจารย์จึงมาปรากฏตัวต่อหน้าประดาผู้ฟังที่ห้องโถงของเรือในคืนวันพระฤหัสบดี แล้วข้าพเจ้าก็ได้แต่ยืนเป็นเบื่อใบต่อหน้าผู้คนทั้งหลายโดยไม่มีคำพูดใดหลุดรอดออกมาจากริมฝีปากหลังการประลองความอดทนของทั้งสองฝ่ายผ่านไป10บนาทีผู้ฝังในห้องโถงแห่งนั้นก็เข้าใจสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของข้าพเจ้าจึงเริ่มหัวเราะกันอย่างคลึกครืนแต่ข้าพเจ้าขันไม่ออก กับสถานการณ์ของตนเองในขณะนั้นติดจะเครืองๆ เ, เสียด้วยซ้ำในใจก็ได้จะสวดภาวนาถึงอาจารย์และแล้วก็มีเสียงของท่านอาจารย์สียุคเตสวนดังขึ้นในจิตสำนึกของท่านว่าเธอพูดได้แน่ความคิดของข้าพเจ้าหันมาเป็นมิตรกับภาษาอังกฤษอย่างฉับพลันทันใดหลังผ่านไป45นาที ผู้คนในห้องก็ยังสนใจฟังข้าพเจ้าอย่างตั้งใจการบรรยายครั้งนี้ทําให้ข้าพเจ้าได้รับเชิญไปบรรยายตามที่ต่างๆในอเมริกาในโอกาสต่อมาอีกหลายครั้งหลังบรรยายจบข้าพเจ้าจําไม่ได้เลยว่าตัวเองพูดอะไรไปบ้างต้องลิบเลยบเคียงๆถามเอาจากผู้ฟังบางส่วนจึงได้รู้ว่าท่านบรรยายได้จับใจนัก ใช้ภาษาอังกฤษถูกต้องและกระตุ้นความสนใจได้ดีเหลือเกินท่านอาจารย์โยคานันทาก็ได้แต่ ก, กราบขอบพระคุณครูอาจารย์ที่ช่วยท่านเอาไว้ได้ทันเวลาแล้วก็ทำให้ท่านมั่นใจว่าท่านอาจารย์ศรียุคเตส่วนนั้นอยู่กับท่านเสมอ โดยที่เวลาและระยะทางไม่ได้เป็นอุปสรรคขวางกั้นอันใดในช่วงเวลาที่เหลือระหว่างการเดินทางบางครั้งท่านก็คิดวิตกถึงการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษกลางที่ประชุมในบอสตันเพราะว่าท่านจะต้องเป็นตัวแทนของอินเดียในการกล่าวสุนทรพจน์ด้วยท่านก็ตั้งจิตสวดวิงวอนเพราะเป็นเจ้า ขอให้พระองค์เป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านในการกล่าวสุนทรพจน์ในการเป็นตัวแทนของอินเดียด้วย mm hmm. เรือเข้าจอดเทียบท่าละแวกเมืองบอสตันในปลายเดือนกันยายนวันที่6ตุลาคมปีคริสตกักราช1920เ mm hmm. ข้าพระเจ้าได้กล่าวสุนทรพจน์เป็นครั้งแรกกลางที่ประชุมในอเมริกาผู้ฟังต่างให้การตอบรับเป็นอันดี ทำให้ข้าพระเจ้าต้องถอนใจออกมาอย่างโล่ง อ, อกเลขาธิการผู้มีใจเอื้ออารีของทางสมาคมอเมริกันยูนิเทอรเรียนได้เขียนข้อคิดเห็นลงในเอกสารรายงานการประชุมที่ตีพิมพ์ขึ้นในภายหลังความว่าสวามีโยคานันทะผู้แทนจากอาสมพรามาจารในรานจีได้นำความปรารถนาดีจากสมาคมของท่าน มามอบให้กับที่ประชุมด้วยภาษาอังกฤษที่ลื่นไหลไพเราะและการสื่อความหมายอันทรงพลังท่านได้กล่าวสุนทรพจน์ว่าด้วยคุณลักษณะพิเศษทางด้านปรัชญาในหัวข้อศาสตร์แห่งศาสนาซึ่งมีการนำมาตีพิมพ์เป็นแผ่นพับเพื่อแจกจ่ายเผยแพร่ออกไปในวงกว้างท่านสวามียืนยันว่าศาสนาเป็นสากลและเป็นหนึ่งเดียว เราไม่สามารถทําให้ขนมประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติกลายเป็นสากลได้แต่องค์ประกอบพื้นฐานในศาสนานั้นสามารถนำมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันและเราอาจเรียกร้องให้ทุกคนเชื่อฟังและปฏิบัติตามได้ส่วนเงินที่พ่อของท่านให้มาก็มากพอที่ท่านจะอยู่อเมริกาต่อหลังการประชุมสิ้นสุดลงได้ ด้วยการใช้จ่ายอย่างมัธยัสถ์ท่านโยคานันทะใช้ชีวิตได้อีก3ปีต่อมาในบอสตันอย่างเป็นสุขท่านออกไปบรรยายธรรมเปิดชั้นเรียนนะคะแล้วก็เขียนหนังสือกวีนิพนธ์ Songs of the Soul โดยดรเฟดริกบีบรบินสันประธานวิทยาลัยนครนิวยอร์กได้กรุณาเขียนคำนำให้ จากนั้นปี1924ท่านก็เริ่มเดินสายข้ามทวีปค่ะไปแสดงปตาตากถาต่อหน้าผู้คนหลายพันตามเมืองใหญ่หลายแห่งและก็ยังได้ลงเรือจากเซียเตอร์ไปพักร้อนที่มลรัฐอารัสก้าอัน ง, งดงามด้วยและด้วยความช่วยเหลือของลูกศิษย์ท่านอยู่านันทะ สามารถก่อตั้งสำนักงานใหญ่ในอเมริกาขึ้นที่มัลล์สวอชิงตันเอสเตดในนครลอสแองเจลิสเมื่อปลายปี1925อาคารสำนักงานใหญ่ก็คือตึกหลังเดียวกับที่ท่านเคยเห็นในนิมิตตอนอยู่ที่แคชเมียร์ท่านรีบส่งภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆในอเมริกาไปให้ท่านอาจารย์สียุคเตส่วน ซึ่งทางกระส่งโปสการ์ด ต, ตอบกลับมาเป็นภาษาเบงกเลีซึ่งแปลกความเอาไว้ดังนี้โยคานันทสิตรักได้ดูภาพถ่ายโรงเรียนและลูกศิษย์ลูกหาของเธอแล้วครูก็ปราบปรื้มเป็นสุขจนไม่รู้จะพูดอย่างไรถูกเห็นเธอมีลูกศิษย์ตามเมืองต่างๆอยู่มากมายครูก็สุขใจนะักได้ยินเธอเล่าเรื่องวิธีการกล่าวคำปฏิญญา การใช้พลังแรงสั่นสะเทือนในการบำบัดรักษาและการสวดเยียวยาด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์จากพระผู้เป็นเจ้าแล้วครูก็อดไม่ได้ที่จะต้องขอบใจเธอจากใจจริง mm hmm. เห็นภาพประตูทางขึ้นเขาอันคดเคี้ยวและทิวทัศน์สวยๆที่แผ่ตัวอยู่เบื้องล่างเมาส์วอชิงตันเอสเตตแล้ว ครูอยากจะไปดูให้เห็นกับตาตัวเองจริงๆทุกอย่างที่นี่เรียบร้อยดีด้วยพระกรุณาแห่งพระเป็นเจ้าขอให้เธอประสบแต่ความปิติเป็นนิดสียุคเตสวนคีรียงเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะหลังจากนั้นอีกหลายปีธันยคานันทะ ก็เดินทางท่องไปทั่วสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นยายและแสดงปาตากถาแก่สโมสรวิทยาลายัยโบสถ์และก็กลุ่มลัทธินิกายต่างๆนับร้อยนับพันในช่วงทศวรรษ1920ถึง1930ชั้นเรียนโยคะของท่านมีชาวอเมริกันเข้ามาเล่าเรียนกันหลายหมื่นคนท่านก็ เขียนงานเล่มใหม่นะคะเป็นหนังสือสวดมนต์และมโนคติทางจิตวิญญาณค่ะชื่อว่า Whispers from Eternity อันนี้เป็นหนังสือเล่มที่สองที่ท่านเขียนนะคะหลังจาก Song of the Soul ก็เป็น Whisper from Eternity เล่ม น, นี้ซึ่งจัดพิมพ์โดยทาง Self Realization Fellowship เหมือนเดิม ท่านโยคานันทะบอกว่าบางครั้งระหว่างที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาท่านก็คิดถึงความสงบอันเรียบง่ายของอินเดียเหลือเกินคิดถึงบ้านแต่เมื่อได้เห็นโลกตะวันตกและตะวันออกที่มีความเข้าใจกันมากขึ้นในแต่ละวันท่านก็เต็มตื้นไปด้วยความยินดี และแล้ววันหนึ่งในขณะที่ท่านกำลังเจริญสมาธิอยู่ในสำนักงานใหญ่ที่มอว์วชิงตันก็มีเสียงเรียกจากท่านสียุคเตสวน mm. ดังก้องขึ้นในจิตของท่านอย่างน่าตระนกนะคะ mm. กลับอินเดียเสียทีครูเฝ้ารอเธอด้วยความอดทนมานานถึง15ปีแล้วไหนไม่ช้า ครูจละจากกายสังขารขึ้นไปอยู่ที่พยสถานเบื้องบนโยคานันทะกลับมาในปีนั้นคือปี1935ท่านโยคานันทะใช้เวลาเผยแผ่คำสอนของอาจารย์อยู่ในอเมริกานานถึง15ปีและตอนนี้ ท่านอาจารย์สียุคเตสวนก็กำลังเรียกตัวท่านให้เดินทางกลับไปหลังจากนั้นไม่นานท่านโยคานันทะก็เล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับเพื่อนบรักที่ชื่อมิสเตอร์เจมส์เจลินฟังมิสเตอร์เจมส์เจลินเป็นฝรั่งนะคะปฏิบัติกริยาโยคะเป็นประจำทุกวันแล้วก็ทำให้จิตวิญญาณมีความเจริญขึ้นอย่างน่าทึ่ง มิสเตอร์ลินก็บอกว่าจะช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับท่านยูคารนันทะเมื่อบัญหาเรื่องเงินหมดไปท่านก็จองตั๋วเรือกลับอินเดียโดยเรือเที่ยวนี้จะเดินทางผ่านไปทางยุโรปก่อนเดือนมีนาคมคริสต์ศักราช1935 ข้าพเจ้านำสมาคม Self Realization Fellowship ไปจดทะเบียนเป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลประโยชน์ไม่ขึ้นกับศาสนาหรือนิกายใดและตั้งขึ้นเพื่อให้คงอยู่ตลอดไปตามกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนียตลอดจนบริจาคสมบัติทุกประการของตนให้กับทางสมาคมไม่เว้นกระทั่งลิขสิทธิ์ของงานเขียนทั้งหมด Self Realization Fellowship ก็ไม่ต่างจากองค์กรศาสนาและสถาบันการศรึกษาส่วนใหญ่ที่อาศัยการสนับสนุนช่วยเหลือจากกองทุนและเงินบริจาคจากสมาชิกและสังคมผมจะกลับมาอีกข้าพเจ้าบอกลูกศิษย์ลูกหาผมจะไม่มีวันลืมอเมริกาในงานเลี้ยงส่งซึ่งมิสหายมีน้ำใจจัดให้กข้าพเจ้าที่ลอสแองเจลิส ข้าพเจ้ามองดูใบหน้าของพวกเขาอยู่เป็นนานพรางคิดอย่างซึ้งใจว่าข้าแต่พระเป็นเจ้าบุคคลผู้รำลึกถึงพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระผู้ให้เพียงหนึ่งเดียวจะไม่มีวันขาดแคลนมิตรภาพอันหอมหวานในท้ำกลางหมู่มันตรัยชนด้วยกันเลยท่านอยู่คานันทะลงเรื อ, อยุโรปา้าออกเดินทางในวันที่9มิถุนายน ปีคริสต์ศักราช1935โดยมีลูกศิษย์ร่วมเดินทางไปสองคนนะคะคือมิสเตอร์ซีริชาร์ดไร์ผู้เป็นเลขานุ ก, การของท่านโยคานันทะกับสุภาพสตรีสูงวัยจากซินซินนาติอีกท่านหนึ่งชื่อมิสเอสตีเบล เรื อ, อามาจอดที่ลอนดอนนะคะซึ่งท่านโยคานันทะกับลูกศิษย์สองคนก็เดินเที่ยวเขตตัวเมืองอันเก่าแก่และใหญ่โตของกรุงลอนดอนและหนึ่งวันหลังจากมาถึงลอนดอนท่านก็ได้รับเชิญให้ไปบรรยายให้กับที่ประชุมขนาดใหญ่ในแคคสตันฮอล์ฝั่ง โดยมีเซอร์ฟรานซิสยังฮัสแบนเป็นผู้กล่าวแนะนำตัวท่านต่อบรรดาผู้ฟังชาวลอนดอนจากนั้นเซอร์แฮร์รี่ลอเดอร์ก็เชิญคณะของท่านไปเป็นแขกที่คฤหาสน์ในสกอตแลนด์หนึ่งวันถัดมาอีกสองสมวันก็เดินทางข้ามช่องแคบของอังกฤษไปยังแผ่นดินใหญ่ ข้าพเจ้าอยากไปสแสวงบุญที่บาวาเรียด้วยรู้สึกว่านี่เป็นโอกาสเดียวที่จะได้ไปเยี่ยมชาวแคทอลิกผู้ยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์อย่างเทรเรซีนอยมันแห่งคอนเนอร์สลอยส์เมื่อปลายปีก่อนข้าพเจ้าได้อ่านเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของเทรเรซีข้อมูลในบทความนั้นมีดังต่อไปนี้ 1. เทรเรซีเกิดในวัน Good Friday ปี1898 ตอนอายุ20ปีเธอประสบอุบัติเหตุทำให้ตาบอดและเป็นอมาาัมพาตสองเธอหายจากตาบอดเมื่อปี1923ด้วยโดยการสวรดอ้อนวอนเซงเตเรสแห่งเมืองลีซีเยร์ผู้มีสมญานามว่าดอกไม้น้อยต่อมาแขนขาของเธอก็หายจากเป็นอัมาาพาตในฉับพลันทันทีสามนับจากปี1923 เทเรซี er ese, เลิกกินอาหารและดื่มน้ำโดยสิ้นเชิงเว้นแต่ขนมปังเศกชิ้นเล็กๆที่เธอจะต้องกินทุกวันวันละหนึ่งชิ้น 4. มีสั ญ, ญลักษณ์รอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระคริสต์ปรากฏขึ้นที่ศีรษะหน้าอกมือและเท้าทั้งสองข้างของเทเรซีเมื่อปี1926ทุกๆวันศุกร์ร่างกายของเธอจะได้สัมผัสกับความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ ขณนะถูกตรึงกางเขตในการก่อน 5. ปกติแล้วเธอจะพูดได้แต่ภาษาเยอรมันแบบพื้นๆที่ใช้พูดกันในหมู่บ้านแต่เมื่ออยู่ในพวังแห่งนิมิตในวันศุกร์เทเรเซจะพูดภาษาแปลกๆซึ่งผู้รู้ระบุว่าเป็นภาษาอารามะอีกออภาษาอารามะอีกโบราณและบางช่วงบางตอนขณะอยู่ในนิมิต เธอก็พูดภาษาฮีบรูหรือว่ากรีกได้ด้วย 6. ทางศาสนาจักรอนุญาตให้ทำการตรวจสอบเทเรเซตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดหลายครั้งด้วยกันดรเฟรชเกลิกบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เยอรมันของฝ่ายโปรเตสแตนต์ฉบับหนึ่งเคยเดินทางมาคอ์เนอร์สอยส์เพื่อหวังจะเปิดโปงการต้มตุ๋นหลอกลวงของฝ่ายคทอลิกแต่สุดท้ายกลับเปลี่ยนความคิด มานั่งเขียนชีวประวัติของเธอออกเผยแพร่ด้วยความเคารพท่านโยคานันทะอยากจะพบกับเทเรเซเ่เมื่อคณะเล็กๆของท่านมาถึงหมู่บ้านคอนเนอร์สรอยส์ในวันที่16กรกฎาคม ท่านก็เดินทางไปที่กระท่อมของเทรเร ซ, ซีซึ่งสะอาดแล้วก็เป็นประเบียบเรียบร้อยสวยงามแต่ปรากฏว่ากระท่อมกลับปิดเงียบเพื่อนบ้านหรือแม้กระทั่งบุรุษไพรสณนีประจำหมู่บ้านที่ผ่านมาก็บอกไม่ได้ว่าเจ้าของบ้านนี่ไปไหน พอฝนเริ่มตกโปรยปลายลงมาเพื่อนร่วมคณะทั้งสองก็ชวนท่านโยคานันทากลับแต่ท่านโยคานันทาก็บอกว่าท่านจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะมีใครสักคนพอที่จะบอกได้ว่าจะไปพบเทเรเซรีได้ที่ไหน2ชั่วโมงผ่านไปค่ะท่านโยคานันทะและลูกศิษย์ยังคงนั่งอยู่ในรถ ทากลางสายฝนที่ชวนให้หดหูใจท่านก็นึกในใจว่าข้าแต่พระเป็นเจ้าเหตุใดพระองค์จึงทรงนำข้าประบาทมาที่นี่หากเธอไม่อยู่เสียเช่นนี้แล้วมีชายผู้หนึ่งซึ่งพูดภาษาอังกฤษได้มาหยุดยืนข้างๆรถนะคะแล้วก็เสนอความช่วยเหลืออย่างสุภาพ ผมก็ไม่รู้แน่หรอกว่ารทเซีอยู่ที่ไหนแต่เธอมักจะไปเยี่ยมศาสตราจารย์ฟรานซ์พุสที่บ้านเขาบ่อยๆเขาเป็นอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศอยู่ที่มหาวิทยาลัยไอชเตัดซึ่งห่างจากที่นี่ไปอีก80ไม้นดล่ะครับจากข้อมูลนี้เองทำให้ช้าวันรุ่งขึ้นท่านโยคานันทะและคณะก็ขับรถไปดังเมืองดังกล่าว ซึ่งดรบรูซก็ตอนรับที่บ้านอย่างอบอุ่นแล้วก็บอกว่าใช่ครับเทเรซี er อยู่ที่นี่จากนั้นเขาก็ให้คนไปบอกเทเรซีว่ามีแขกมาหาไม่นานเทเรซี er ก็ฝากคำตอบมาให้ท่านโยคันันทะว่า ถึงท่านบีชอฟจะห้ามไม่ให้ดิชันพบใครโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อนแต่ดิชันก็จะต้องออกมาต้อนรับสาวกแห่งพระเจ้าจากอินเดียท่านนี้ให้ได้โดยเหตุนี้ท่านจึงได้พบกับเทเรเ ซ, เซสมดังความตั้งใจ ตอนหน้าลองมาฟังช่วงเวลาที่ท่านโยคานันทะได้มีโอกาสพบกับเทเรเซเีนะคะว่าจะมีเรื่องมหัศจรรย์หรือว่ามีอะไรดีๆในการพบกันระหว่างท่านโยคานันทะและเทเรเซเีบ้างนี่คือชีวิตโยคี ตอนที่23นะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าที่นี่วิทยุไทย PBS สวัสดีค่ะ ห, ห้องสมุด ท, ที่ฟังได้ทางบิย